สิกขาบทที่10ว่าด้วยการให้บ่งฝีในร่มผ้าเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่งหนสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งให้บ่งฝีที่เกิดในร่มผ้าอยู่กันสองต่อสองกับชายลำดับนั้น ชายนั้นพยายามจะคมขืนภิกษุณีนั้นเธอได้ส่งเสียงร้องขึ้นภิกษุณีทั้งหลายวิ่งเข้าไปได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าเธอส่งเสียงร้องทำไม่เธอจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพลนนาว่าชายภิกษุณีจึงใช้ชายให้บ่งฝีที่เกิดในร่มผ้าอยู่กันสองต่อสองกับชายเล่าครั้นแล้ว